หลวงพ่อสอนสมาธิเพื่ออะไรสมาธิที่แน่นอนที่สุดก็คือฝึกจิตของเราให้มีอำนาจเป็นอิสระแก่ตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรเพราะฉะนั้นหลวงพ่อสอนคนให้ปฏิบัติสมาธิเพื่อประสงค์อะไร หลวงพ่อก็จะบอกได้ว่าคนเราเกิดมาเนี่ยมีฤทธิ์มีอิทธิพลมีอำนาจอยู่ในตัวกันทั้งนั้นแต่มันจมอยู่ในจิตใต้สำนึกในเมื่อเรามาปฏิบัติสมาธิเป็นการปลุกจิตใต้สำนึกให้มันตื่นขึ้นมาเพื่อจิตของเราจะได้มีพลังงานเราจะได้น้อมไปทำประโยชน์แก่การทำงานในชีวิตประจาวันได้ทุกกรณี